ผู้รู้จริงจะไม่คุยโวโออวดคนรู้จริงเห็นจริงเขาจะไม่พูดสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามัญไม่รู้ด้วยเขาจะไม่พูดพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดอะไรขึ้นมาก่อนถ้าหากมีพระสาวกองใดไปรู้เห็นตรงกับที่พระองค์เคยรู้เคยเห็นมานำเรื่องมากราบทูลถามว่าเรื่องอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไปได้ไหม พระองค์จะเอาผู้นั้นเป็นหลักฐานพยานในการเทศนาเช่นอย่างนางกุลธิดาคนหนึ่งเอาดอกบัวขมสี่ดอกจะไปบูชาพระสถตูเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระพุทธเจ้าวิปัสสีที่นี้แกก็วิ่งตามหลังเข้าไปไม่ได้พิจารณาถึงทางว่ามันจะมีอันตรายอะไรบังเอิญโคลูกอ่อนมาขิดแกตายในขณะนั้นยังไม่ได้ไปบูชาแล้วแกก็ไปเกิดในสวรรค์ มีวิมานทองอยู่สูงถึงสิบสองโยตเครื่องประดับตกแต่งล้วนแต่สีเหลืองเสร็จแล้วพระโมคคัลลาไปพบแก่เข้าไปเห็นสมบัติแก่มากมายกายกองเลยถามนางทําบุญอะไรจึงได้มีสมบัติมากมายแกก็เอียงอายเพราะว่าแกทําบุญนิดหน่อยเพียงแค่เอาดอกบัวขมสี่ดอกจะไปบูชาแล้วก็ยังไม่ได้บูชาสุดได้ซ้าไปตายกลางทางและไปเกิดเป็นเทวดา ก็ไม่อยากบอกแต่พระคุณเจ้าเคี้ยวเข็นทนไม่ไหวก็ต้องบอกพอบอกแล้วพระโมคคัลลาก็นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพอกราบทูลเสร็จปับ๊บโมคคัลลาเธอไปรู้ไปเห็นมาแล้วจะมาถามเราทำไมเรียกพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันเราจะแสดงธรรมนั่นแหละพระองค์จึงจะพูด สาวกสมัยปัจจุบันนี้มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมนิกอบมามามาม า, มาปฏิบัติกับอาตมาเนี่ยจะไม่ให้เกินเจ็ดวันครูบาอาจารย์ของเรานี่ก็มีหลายองค์เคยชักชวนหลวงพ่อไปอยู่ด้วยไปอยู่กับผมไม่ล่ะอย่างท่านเนี่ยจะไม่ให้เกินเจ็ดวันจะให้สําเร็จแต่ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้านั้นสําเร็จอะไรภายหลังมา ผู้ที่มาชักชวนเราให้ไปปฏิบัติด้วยจะให้เราสำเร็จภายในเจวันเนี่ยภายหลังนี้ท่านก็สึกไปเป็นคารวาสไปมีครอบครัวเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเอาความรู้ความเข้าใจอะไรมาพูด